5. กถินะสมุทฐาน2 6งรอุปภะตะกถินะสิกขาบทว่าด้วยกถินเดาะสมสิกขาบทปัทมปัตตะสิกขาบทว่าด้วยบาศสิกขาบทที่หนึ่งเพศัชชสิกขาบทว่าด้วยเพศัตอัจเจกะสิกขาบท ว่าด้วยอจเจกะจีวรนสาสังกะสิกขาบทว่าด้วยเสนาสนะป่าที่หน้าวาตรแวงปักกะมันตะสิกขาบทว่าด้วยเมื่อจะจากไปสองสิกขาบทอุปัสยศสิกขาบทว่าด้วยการไปสั่งสอนภิกษุณีถึงที่สำนักปรัมปรสิกขาบทว่าด้วยการฉันปรัมประโภชนะ อนติริตะสิกขาบทว่าด้วยการฉันของฉันที่ไม่เป็นเดนนิมันตนาสิกขาบทว่าด้วยการได้รับนิมนต์วิกัปปะสิกขาบทว่าด้วยการวิกัปจีวรรันโยสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปในตำหนักที่บรรทมของพระราชาวิกาละสิกขาบท ว่าด้วยการเข้าหมู่บ้านในเวลาอวิการโวสาสะสิกขาบทว่าด้วยการไม่ห้ามภิกษุณีผู้คอยบงการอารัญญกะสิกขาบทว่าด้วยการรับของเคี้ยวในเสนาสนะป่าอุสูยาสิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีก่อคดีพิพาทสันนิจยะสิกขาบท ว่าด้วยการสะสมบาตปูเรพัตสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปสู่ตระกูลในเวลาก่อนฉันพัตตาหารปัจฉาพัตสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปสู่ตระกูลในเวลาหลังฉันพัตตาหารวิกาละสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปสู่ตระกูลในเวลาวิกา ปัญจาหิกะสิกขาบทว่าด้วยการให้วาระผลัดเปลี่ยนสังคาติมีกำหนดระยะเวลาห้าวันล่วงเลยไปสังกมณีสิกขาบทว่าด้วยการห่มจีวรสับเปลี่ยนกันอาวสถะสิกขาบทสองสิกขาบทว่าด้วยการใช้ผ้าซับกระดูแล้วไม่สละ และว่าด้วยการไม่สละที่พักปะสาขาสิกขาบทว่าด้วยการให้บ่งฝีในร่มผ้าอาสนะสิกขาบทว่าด้วยการนั่งบนอาสนะโดยไม่ขอโอกาสก่อนธรรมคือสิกขาบทเหล่านี้รวม29สิบสิกขาบทเกิดทางกายกับวาจามิใช่เกิดทางจิตและเกิด ทางทวานทั้งสามทุกสิกขาบทมีสองสมุดฐานเหมือนกับกถินะสิกขาบทกถินะสมุดฐานจบ